นอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ขอนอบน้อมต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ต้องกราบหลวงพ่อคำเขียนนะฮะแล้วก yeah ็กราบขอโอกาสจากพระอาจารย์สุลินพระอาจารย์โน๊ตพระอาจารย์สุลินนะฮะแล้วก็ เพนซาธรรมิกไม่ชี่แล้วก็พวกเราอุบาสกบาศิกาตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นบริษัท4เนาะเป็นบริษัทสที่จะช่วยให้เรียกว่าคําสอนของพุทธเจ้าได้ปรากฏเป็นจริงคําสอนของพุทธเจ้าปรากฏเป็นจริงเขาเรียกว่า เป็นผลเนาะเป็นผลเราก็ต้องเห็นผลก่อนถึงจะศรัทธาคำว่าผลก็คือผลของความไม่ทุกเนาะที่ปรากฏออกมาอย่างเราที่นี่เราก็มีหลวงพ่อคำเขียนนะก็เป็นตัวอย่างเนี่ยก็ให้พวกเราลองสังเกตความเป็นไปของหลวงพ่อคำเขียนอักับกริยาการขบชัน การอยู่การกระทำต่างๆนานาเหล่านี้เนี่ยเราก็จะได้เห็นเขาเรียกว่าร่องรอยของความไม่ถูกจริงๆแล้วเบื้องต้นในขณะที่ได้ได้พบหลวงพ่อคำเขียนเป็นครั้งแรกเลยเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้ไม่ได้เห็นเพียงแค่หลวงพ่อคำเขียนเนาะแต่เห็นภาพทั้งหมดของของสถานที่ก็ศรัทธาเนาะ มีความรู้สึกว่าเออที่นี่เนาะก็ไม่เหมือนที่อื่นตอนนั้นเห็นครั้งแรกนี่เห็นที่ภูหลงก็เป็นอารามเล็กๆเนาะแล้วก็มีความสงบล่มเย็นตรงนั้นก็จิตก็สัมผัสความล่มเย็นตอนนั้นเราก็มีศรัทธาหลวงพ่อก็นั่งอยู่ในศาลาเนาะนั่งอยู่ในศาลา ศาลาก็เล็กๆเนาะแล้วก็หลวงพ่อก็นั่งอยู่เราก็ไม่ได้ไม่ได้รู้ไม่ไม่ได้รู้ไม่ไมไรู้จักกับหลวงพ่อมากไปกว่าเพื่อนที่บอกบอกว่าหลวงพ่อเป็นพระดีรูปหนึ่งแล้วเราก็พอไปพบก็เห็นหลวงพ่อก็นั่งอยู่ในศาลาอากับกริยานั่งก็เป็นปกติน่ารักน่ารักเนาะก็อย่างที่เราเห็นหลวงพ่อทุกวันนี้ หลวงพ่อก็จะดูอบอุ่นตรงนั้นก็เป็นสิ่งที่เราได้สัมผัสเนาะเราได้สัมผัสแล้วทำให้เกิดศรัทธาหลังจากนั้นก็กราบหลวงพ่อเนาะพอกราบหลวงพ่อหลวงพ่อก็อ้าปากถามคำถามของหลวงพ่อก็เป็นคำถามธรรมดาธรรมดาแล้วก็น้ำเสียงของหลวงพ่อเนาะพวกเราเองก็ได้ลองสังเกตก็เป็นน้ำเสียงที่อบอุ่น หนะลวงพ่อก็ถามคำถามสั้นๆมาทําอะไรตรงเนี้ยก็เป็นสิ่งที่เราก็เป็นบทสนทนาเนาะเป็นบทสนทนาที่จะทําให้เราได้พูดถึงจุดหมายของเราก็ไม่มีอะไร เ, เยอะมากมายเราก็บอกมาปฏิบัติธรรมหลวงพ่อก็แนะนำเนาะแนะนาการปฏิบัติธรรมแต่การแนะนำ การปฏิบัติธรรมของหลวงพ่อก็ไม่ไม่ปกตินะหลวงพ่อก็จะถามถามคําถามที่เราไม่ไม่เคยได้ยินหลวงพ่อก็ถามคําถามที่บอกว่าอ๋อเราเป็นนักวิทยาศาสตร์หรือเปล่าเรียนวิทยาศาสตร์หรือเปล่า เรารู้จักคนข้างบ้านมากกว่าคนในบ้านเราหรือเปล่า <Yeah. S 1> เรารู้จักผากบผาเขียดดูรู้จักสองกล้องจุลทรรศน์ ด, ดูแบบว่ารู้จักรายละเอียดของอย่างอื่นมากกว่าตัวเองหรือเปล่าคำพูดอย่างนี้เนาะก็เป็นคำพูดที่ทำให้เรารู้สึกว่าอันนี้มีอะไรสักอย่างหนึ่งที่ไม่ปกติ เนะาะหนึ่งเนี้ยแล้วก็เป็นคําพูดที่ก็เป็นจริงอย่างนั้นนะเหมือนหลวงพ่อเป็นเหมือนกับพูดเหมือนตาเห็นนะพูดเหมือนตาเห็นแล้วก็เป็นคําพูดที่ชวนให้เรากระตือรือร้นเนาะที่ที่อยากจะฟังเนาะพระพระผู้มีอายุรูปนี้ นะทําให้เรารู้สึกมีศรัทธาตรงนีนะ้ก็เป็นสิ่งที่นี่คือเขาเรียกว่าหลวงพ่อกําเขียนบอกว่านี่คือศรัทธาในครูบาอาจารย์หลวงพ่อเองก็ทําให้เราเกิดศรัทธาไม่ใช่เพียงแค่จากการพูดแต่ว่านั่นคือจากการได้เห็นนะจากการได้ยินได้ฟังต่อมาก็คือหลวงพ่อเองก็ได้ทบทวนเนาะทบทวนชีวิตของเรา ด้วยคําถามที่ว่าอืมเราอหลวงพ่อยังไม่ได้ทบทวนหลวงพ่อก็แนะนําการปฏิบัตินะบอกการปฏิบัติที่นีนะ่เป็นเรื่องของการที่เราปฏิบัติกรรมฐานกันหลวงพ่อก็บอกบอกว่าเออนะเราลองไปนั่งปฏิบัติดูนะไปนั่งปฏิบัติดูหลวงพ่อก็ส่งขึ้นไป พะสงค์ขึ้นไปก็คือหลวงพ่อก็พาไปมันก็จะมีหินใหญ่ๆก้อนหนึ่งก็เป็นกุฏิอยู่ข้างบนด้วยสายตาของเราก็โอ้มันเป็นสถานที่ที่น่าศรัทธามากๆเลยหินก้อนใหญ่แล้วก็มีกุฏิเล็กๆเนาะตั้งอยู่ข้างบนกุฏิก็พอเหมาะพอดีหลวงพ่อก็บอกว่าให้อยู่ที่ตรงเนี้ยเนาะนั่งปฏิบัติกันตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวประมาณสักชั่วโมงหนึ่งก็ลงไปเจอกันใหม่อีกทีหนึ่ง ก็พอผ่านหนึ่งชั่วโมงถัดไปเราก็ลงไปหลวงพ่อก็ถามว่าอืหลวงพ่อก็คําถามทันทีนะหลวงพ่อก็บอกว่านั่งเรานั่งฟ ร, ฟรีไปหรือเปล่านะคําถามของหลวงพ่อก็ไม่ได้รอให้เราต้องคิดอะไรมากมายหลวงพ่อก็บอกว่าที่นั่งไปอ่ะไม่รู้ว่านั่งทําอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าหลวงพ่อเองก็บอกแต่แรกแล้วนะนะบอกว่า ให้เราเนี่ยดูตัวเองเนี่ยเหมือนกับที่เราเคยส่องกล้องจุลทรรศดูอย่างอื่นเหมือนเราที่เราผ่ากบผ่าเขียดดูอะไรต่างนานาเหล่านี้ตรงนั้นก็หลวงพ่อก็บอกว่าเรานั่งพรีไปไหมเนาะอย่างนั้นนั่งไปไม่รู้ว่านั่งทำอะไรจุดหมายที่ไม่ชัดเจนที่เรายึดกลุ่มไม่ได้คําบอกเล่าที่หลวงพ่อบอกให้เราทำเราก็ลืมไปแล้วอย่างเนี้ยเนาะอย่างนั้น เราก็ก็เรียกม่านั่งอยู่กับความหลงหนุ่มพ่อเองก็ถามคำถามต่อมาอย่างที่เราเองก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทันตั้งตัวอะไรมากไปกว่านั้นนุ่มพ่อก็ถาม่าเคยนอนปีๆไหมที่นอนไปแล้วอะ่ะไม่เคยอิ่มอย่างเงี้ยคำถามที่บอกว่านอนปีๆไปไหมจังหวะที่เว้นนิดนึงตรงนั้น ที่บอกว่าคําตอบที่บอกว่าไม่เคยอิ่มนะมันก็ทําให้เกิดความคิดแว บ, บขึ้นมาทันทีนะว่าเอ๊ะคำถามนี้เนี่ยมันหมายความว่าอะไรนะในจังหวะที่หลวงพ่อก็ไม่ได้หยุดอะไรนานนะแต่ความคิดมันก็ทํางานทันทีอย่างเนี้ยนะอย่างนั้ น, ะ น, นตรงเนี้ยนะก็คําตอบของหลวงพ่อก็บอกว่าไอ้ที่ไม่เคยอิ่มอะ่ะพอเราแบบว่าหลับไปพร้อมกับไฟที่ยังเปิดค้างอยู่หรือเปล่า หลับไปพร้อมกับหนังสือพิมพ์ปิดหน้าหรือเปล่าเราแบบว่าหลับไปแบบไม่รู้สึกตัวหลับไปแบบไม่เคยตั้งใจหลับอย่างเงี้ยหลวงพ่อก็บอกนะน้ำเสียงที่หลวงพ่อบอกไม่ได้ตำหนิแต่เป็นน้ำเสียงที่บอกเหตุเนาะที่ทำให้เกิดผลอันนั้นตรงเนี้ยเนาะก็เป็นสิ่งที่หลวงพ่อไม่ได้ว่าเราเป็นคนไม่ดีเนาะแต่หลวงพ่อบอกให้เห็นชัดเจนว่า ตรงเนี้ยเหตุมันเป็นอย่างนี้เรื่องหลวงพ่อเองก็บอกเรานะบอกว่าเนี่ยถ้าหากว่าเราลองตั้งใจหลับดูเนาะวันนี้เราทําอะไรเต็มที่แล้วลองวางดูนะขอหลับเนาะขอหลับให้เต็มอิ่มแล้วก็เช้าขึ้นก็จะได้ปฏิบัติภารกิจต่อไปตรงเนี้ยก็เป็นสิ่งที่อืมบางทีเราฟังคนสอนเนี่ยเราก็ เคยผ่านครูเคยผ่านอะไรมาตั้งแต่เล็กเนาะแต่บางครั้งน้ำเสียงของการสอนเนี่ยเป็นน้ำเสียงที่แฝงแววตำหนิอยู่บ้างอะไรอยู่บ้างตรงนั้นน่ะไม่เหมือนไม่เหมือนหลวงพ่อที่กาลังบอกเนาะกำลังบอกด้วยความเมตตาอย่างที่เราไม่ต้องพูดคำว่าขอความเมตตาแต่ว่าหลวงพ่อเองก็เมตตาบอกเราเนาะบอกเหตุเนาะที่เกิดขึ้นเนาะ แล้วก็บอกผลที่เกิดขึ้นแล้วก็บอกวิธีการที่จะทําให้เราเนี่ยแก้ไขให้เราเนี่ยไปถึงจุดที่สามารถที่จะเปลี่ยนตัวเองเนาะให้ไม่มีทุกข์ได้ตรงเนี้ยก็เป็นสิ่งที่นี่คือเขาเรียกว่าผู้ที่รู้เนี่ยก็ได้ชี้ทางให้เราได้ชัดเจนด้วยคําพูดที่สั้นๆไม่ยาวตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่ นี่คือศรัทธาในครูบาอาจารย์เนาะก็เกิดขึ้นเมื่อศรัทธาในครูบาอาจารย์เกิดขึ้นเราเองเราพอเห็นทางเราก็นําสิ่งนั้นมาปฏิบัติเมื่อนําสิ่งนั้นมาปฏิบัติเนี่ยหลวงพ่อเองก็ได้แนะนำเนะาะเขาเรียกว่าแนะนําสิ่งที่หลวงพ่อเคยเคยพบเนาะหลวงพ่อก็บอกว่าเออการปฏิบัติเนาะ มันจะมีนิวรนะมันมีการว่องเหงาหาวนอนมันจะมีเรื่องของการลังเลสงสัยมันจะมีเรื่องของความฟุ้งซ่านมันจะมีเรื่องของอะไรต่างๆนานาหลวงพ่อก็บอกว่าอันเนี้ยเป็นประตูด่านแรกนะอย่างเนี้ยซึ่งหลวงพ่อเองเนี้ยก็จะบอกเรื่องนี้เอาไว้ในขณะบอกเรื่องนี้เอาไว้เนาะหลวงพ่อเองก็อาจจะบอกต่างกรรมต่างฟาละกันในตอนห ล, งลงังๆ ที่บอกเทศบอกสอนพวกเราบางางครั้งหลวงพ่อก็จะบอกบอกว่ามันเหมือนกับเราเดินทางไปที่ไหนสักที่หนึ่งอ่ะใช่ไหมมันก็จะต้องผ่านจุดนั้นจุดนี้จุดนั้นจุดนี้ไปถึงจะเห็นต้นไม้ต้นนั้นไปถึงจะเห็นรั้วอันนี้ไปถึงจะเห็นธงสีแดงไปถึงจะเห็นอะไรอ่างตานาตรงนั้นหลวงพ่อก็จะบอกเนาะถ้าหากว่าเราเดินไปถึงตัวนั้นก็ถูกทางแล้วเนาะเราก็เดินต่อไปเห็นอันนู้นเห็นอันนี้ต่างๆ ตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ผู้รู้เนาะก็จะได้บอกเนาะว่าให้เรารู้ให้เรารู้แต่ว่าณขณะที่เราฟังเนี่ยเราก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเนาะไม่ค่อยเข้าใจว่าสิ่งต่ตางๆนานาเหล่านั้นจะเกิดอะไรขึ้นกับเราหรือว่าสิ่งนั้นคือสิ่งที่หลวงพ่อก็ได้บอกอย่างหมดจดรวบรัดในขณะที่เราเริ่มปฏิบัติเนาะ เราก็เริ่มเ้าเรียกว่าเริ่มเดินทางเราเริ่มยกมือเราก็เจอความง่วงเราเจอความง่วงจริงๆแล้วหลวงพ่อก็บอกแล้วว่าอันนั้นแหละเป็นด่านแรกๆ แ, แต่สิ่งที่เขาเรียกว่าความใหม่เนาะก็จะทำให้เราก็เกิดเขาเรียกว่าเกิดเกิดทุกข์เกิดสุขเนาะตามนิสัยที่เราเคยมีใช่ไหมอย่างนั้น เราก็ยังไม่ได้ละทุกละสุขอะไตรต่างๆนานาและเราก็ยังไม่เาเรียกว่ายังมีนิสัยเดิมๆติดทุกติดสุขอยู่ตรงเนี้ยก็ทําให้พอเราเจอความง่วงเราก็เกิดความไม่ชอบนะเกิดการที่เราไปวุ่นวายอยู่กับความง่วงเกิดสิ่งที่เราเรียกว่าเกิดชอบเกิดชังอยากจะทําให้ความง่วงมันหายอยากที่จะอะไรต่างๆนานาเหล่านี้ ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเราก็ไปติดข้องเมื่อติดข้องอยู่เราก็เดินต่อไปเจอเขาเรียกว่าเจอหมายตาอื่นๆหรือว่าเจอสัญญาณอื่นๆที่หลวงพอบอกเป็นนิวรห้5ไม่ได้เ็าเรียกว่าติดอารมณ์ก็ได้อย่างนี้เพราะนั้ น, นั้นคือตรงเนี้ยนะก็เป็นสิ่งที่ครูบาอาจารย์จะบอกเนาะบอกว่าสิ่งที่ หลวงพ่อทำเนาะหลวงพ่อก็เอามาพูดบอกพวกเราสิ่งที่หลวงพ่อพูดก็คือสิ่งที่หลวงพ่อเคยทำมาเพราะฉะนั้นคือตรงเนี้ยเนาะคำบอกคำสอนของครูบาอาจารย์ก็ไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าผู้ที่มีประสบะการณ์ได้บอกถึงประสบะการณ์ที่ตัวเองเคยทำมาหลวงพ่อบอกว่าที่นี่เนาะไม่มีการสอบอารมณ์ คารสอบอารมณ์ก็คือเราอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องมาคอยถามครูบาอาจารย์ว่าอย่างนี้ถูกไหมอย่างนั้นถูกไหมซึ่งบางครั้งตรงนี้ก็เหมือนกับเราเป็นนักเรียนเนาะตอนเด็กๆตัดสินใจไม่ได้ว่าสิ่งที่เราทำคืออะไรส่งไปครูอาจจะกากบาทผิดกากบาทถูกให้เราต่างๆนาน า, นานเหล่านั้นเนี่ยแต่หลวงพ่อบอกว่าที่นี่ไม่ใช่นะหลวงพ่อบอกว่าที่นี่มีแต่ออก็มีแต่เอะเนาะ ถ้าอ้อเนี่ยก็คือใช่ถ้าเอ็กก็คือไม่ใช่คาว่าอ้อคือใช่คืออะไรก็คือสิ่งที่หลวงพ่อเทศเนี่ยหลวงพ่อสอนเนี่ยก็คือประสบะการณ์ที่หลวงพ่อเคยทำเคยทำผิดมาอย่างนี้เคยทำถูกมาอย่างนี้ทางที่ถูกเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นนั่นคือตรงนเนี้ยนะก็เป็นสิ่งที่ในขณะที่เราได้เริ่มลงมือทาเราก็อาจจะติดติดขัดขัด พอเรานึกถึงคําสอนของหลวงพ่ออ๋อคำสอนของหลวงพ่อเคยบอกอย่างนี้นี่เองในขณะที่เรากําลังติดติดคลองค่องอยู่เนาะ<ม>เราเองเราก็อ๋อเป็นอย่างนี้เนาะในขณะที่เรากําลังทําไปการกระทําเหมือนกันทุกวันทุกวันทุกวันของเราเนี่ยที่จะเป็นการยกมือสร้างจามูกก็ดีการเดินจงกรมก็ดีเนี่ยตรงเนี้ยแต่เรามันก็จะไม่เหมือนกันบางวันก็เกิดความว่วงบางวันก็เกิดความลังเลสงสัย บางวันก็เกิดความฟุ้งซ่านสิ่ง ต, ตานานาเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่เราเนี่ยไม่ต้องทําอะไรหลวงพ่อก็บอกว่ากลับมารู้สึกตัวอย่างเดียวกลับมารู้สึกตัวอย่างเดียวแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้าเล่าซ้าแล้วซ้าเล่าท้ายสุดก็ไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นเนาะอาจจะเกิดเรื่องขึ้นทางกายเนาะเดินมากไปเนาะก็เมื่อยเนาะร่างกายก็ปวดเมื่อยเนาะ หรือว่ายังไม่ทันเดินมากๆเนาะก็ไม่อยากที่จะเดินเนาะก็เป็นเรื่องของใจตรงเนี้ยเนาะก็เป็นสิ่งที่ครูบาอาจารย์ก็เริ่มตั้งกปรมฐานให้ตั้งแต่แรกบอกว่าเนาะให้เราเนี่ยอาศัยกายที่เคลื่อนไหวเนี่ยเนาะตรงเนี้ยเป็นหลักอย่าเพิ่งทำอย่างอื่นเริ่มต้นที่กายอย่างเดียวเนาะแต่ว่าการที่เราเนี่ยคอยดูกายที่เคลื่อนไหวเนี่ยตรงเนี้ยเขาเรียกว่า ให้เราเนี่ยฝึกสติเนาะหรือเรียกว่าเจริญสติผ่านการเคลื่อนไหวของกายตรงนี้ในขณะที่กายเคลื่อนไหวเราเอาใจมารับรู้เนาะเรารู้กายที่เคลื่อนไหวรู้ใจที่รับรู้ตรงนี้เราก็ได้เจริญสติผ่านตรงนี้แล้วมันก็จะมีอีกเนะก า, นาะบอกว่าหลวงพ่อก็จะบอกบอกว่าหลงไปบ้างก็ไม่เป็นไรนะหลงไปน่นะรู้ว่าหลงนะ่ะก็ได้ก็เรียกว่าได้คะแนนแล้ว สติได้ทํางานแล้วสติได้รู้ว่าใจนะ่ะมันหลงไปนั่นนั่นคือตรงเนี้ยเนาะมันก็ไม่เหมือนกับเราเคยเรียนหนังสือมานะเนาะก็เรียกว่าถ้าทําถูกก็ได้คะแนนถ้าทําผิดก็ไม่ได้คะแนนถ้าทําถูกก็ดีใจถ้าทําผิดก็เสียใจแต่การปฏิบัติธรรมเนี่ยมันต่างกับเรื่องทางโลกแบบนี้ไม่มีผิดไม่มีถูกนะมีแต่รู้อย่างเดียวรู้ว่ามีกายเคลื่อนไหว รู้ว่ามีใจคิดนึกอย่างเนี้ยตรงนั้นไม่ว่าจะรู้ว่ากายเคลื่อนไหวก็ดีไม่ว่าจะรู้ว่าใจคิดนึกก็ดีทั้งหมดเป็นการเจริญสติแล้วได้แล้วเรียบร้อยแล้วเพราะนั้นนั่นคือตรงเนี้ยเนาะความเคยชินของเราที่เคยมีมาในอดีตเคยมีผิดเคยมีถูกเคยได้รับรางวัลเคยไม่ได้รับรางวัลสิ่งตถ า, านานาเหล่านี้ก็เป็นความเคยชินเก่าเราก็เอามาปะปนกัน ทางโลกก็มาปะปนกับทางธรรมเนาะก็มันเหมือนกับตัวเราอะใช่ไ้มฮะก็ยังไม่ชัดเจนในสิ่งที่เราทำแล้วเราเองก็ยังไม่ได้วัดผลในทางการวัดผลก็เหมือนกับความตั้งใจของเราเนาะอย่างสมมติฐางว่าทางโลกเนาะก็การวัดผลก็จะเป็นการสอบผ่านถ้าผิดก็ไม่ผ่านถ้าถูกก็ผ่านแต่ทางธรรมเนี่ย การวัดผลจะคืออะไรก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าความไม่ทุกเนาะก็จะเป็นตัววัดผลพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอะไรมากไปกว่าทำยังไงถึงจะไม่ทุกเพราะนั้นนั่นคือตรงเนี้ยเนาะเราเองเมื่ออยู่ทางธรรมเมื่อทำทางธรรมเราก็ต้องวัดผลตรงนี้เนาะไม่ใช่ว่าเราก็ติดทุกติดสุขแบบทางโลกอาศัยทางโลกมาเป็นเครื่องวัดตรงนี้ก็ไม่ได้เพราะนั้นคือตรงนี้เนี่ย เรากำลังเดินบนเส้นทางธรรมนั่นนั่นคือตรงเนี้ยเนาะก็เป็นสิ่งที่ครูบาอาจารย์บอกเนาะบอกแล้วเราก็ลองทำดูเมื่อลองทำดูเนี่ยเนาะเราก็จะได้รับผลของการกระทำนั้นตรงนั้นเองเนี่ยเขาเรียกว่ามันก็เป็นสมขั้นตอนเนาะขั้นตอนที่หนึ่งก็คือบอกเนาะบอกให้เราทำขั้นตอนที่สองก็คือเรานำสิ่งนั้นมาทำเนาะขั้นตอนที่สามก็คือ เราทำได้แล้วได้รับผลแล้วตรงเนี้ยเนาะในทางเขาเรียกว่าเมื่อกี้เราสรวจธรรมจักกับปะัปะวัรรกกะะตนสูตรที่พระจันร์สุลินได้ผ่าสวดเนาะตรงนั้นที่บอกว่ามีปริวัติสมีอาการส2องเนาะอาการส2องพุทธเจ้าบอกอริยสัจสีที่เราจะต้องทำเนาะ ให้เราหนึ่งก็คือเนาะทุกเนี่ยเป็นยังไงเนาะต้นเหตุแห่งทุกอยู่ที่ไหนเนาะความไม่มีทุกเนาะเกิดขึ้นได้ยังไงเนาะแล้วก็ทางเดินที่ไปถึงความไม่มีทุกเนี่ยเนาะเป็นยังไงสอันนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราได้ทำเนาะในทางสมทางก็คือรู้แล้วลองทําทําแล้วได้ผลเนาะ 4คณ3ก็เป็น12ปริวัติ3อาการ12พุทธเจ้าบอกว่าเราจะไม่ยืนยันว่าเราได้ตรัสสรุปพร้อมเฉพาะแล้วถ้าเราไม่ได้ทำในสอย่างนี้เพราะนั้นนั่นคือตรงเนี้ยเนาะว่าทุกเนี่ยที่บอกว่าทุกอยู่กับกายอยู่กับใจเนี่ยตรงเนี้ยการปฏิบัติที่ครูบาอาจารย์ตั้งกรรมฐานให้ตั้งแต่แรกบอกว่าดูกายเคลื่อนไหว เอาใจมารับรู้เนาะดูกายเคลื่อนไหวดูใจคิดนึกตรงเนี้ยครูบาอาจารย์ก็จะแยกเนาะเรียกว่าแยกกองกายแยกกองใจให้เราเพราะฉะนั้นนั่นคือตรงเนี้ยในขณะที่เราปฏิบัติเราก็ต้องแยกเนาะแยกให้ออกว่าตรงนี้เป็นเรื่องของกายนะตรงนี้เป็นเรื่องของใจนะเพราะว่าของเราเนี่ยตั้งแต่ในอดีตเนาะตั้งแต่ก็เรียกว่าเล็กจนโตเนี่ย กายกระใจเนี่ยมันจะรวมกันปะปนแล้วมันก็เป็นของเราด้วยปะปนกันไปหมดก็เรียกว่าแต่ว่าพุทธเจ้าจะแยกแยกออกเป็นส่วนๆแยกออกเป็นส่วนๆก็เรียกว่าเพื่อให้เราได้เห็นตามความเป็นจริงตรงเนี้ยเนาะก็เรียกว่าเป็นสัมมาทิฏฐิถ้าหลักว่าเราเห็นตามเป็นจริงเป็นกายเป็นใจเนาะทุกมันอยู่ตรงไหนต้นเหตุของทุกเป็นยังไงไอ้ที่ไม่มีทุกเนี่ยมีไหมเนาะแล้วก็ วิธีการที่จะทำให้ไปถึงความไม่มีทุกตรงนั้นน่ะมันเป็นยังไงกันตรงเนี้ยนะก็จะผ่านเพียงแค่ครูบาอาจารย์ที่นี่หรือว่าหลวงพ่อเทียนที่สอนผ่านหลวงพ่อกาเขียนมาแล้วก็หลวงพ่อกำเขียนเองก็ก็เรียกว่าสอนพวกเราอีกทีหนึ่งตรงเนี้ยก็คืออาศัยกายที่เคลื่อนไหวเนี่ยเป็นหลักเนาะแล้วก็อาศัยใจเอามารับรู้การเคลื่อนไหวของกายเนี่ยตรงเนี้ยนะ จะเป็นสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยค่อยๆ ค, คลี่คลายนะค่อยๆเห็นความเป็นจริงเนี่ยตามลำดับอย่างที่หลวงพ่อเขียนก็จะบอกเนาะออมันเป็นเรื่องของกายนะมันก็ต้องปวดต้องเมื่อยเป็นธรรมดาแต่ในขณะที่เราเนี่ยติดเนาะเขาเรียกว่าติดทุกข์ติดสุขหรือว่าติดตัวตนในทางโลกบางทีเราก็กลับไปนึกว่า จริงๆการฝึกที่ดีแล้วเนี่ยมันต้องไม่ปวดไม่เมื่อยนะอย่างเนี้ยอย่างนั้นแต่หลงพ่อก็บอกว่าเออมันเป็นกายนะมันก็ต้องปวดต้องเมื่อยต้องเจ็บแบบนี้แหละอย่างเนี้ยแต่ว่าในอีกส่วนหนึ่งก็คือความที่ใจทนไม่ได้เนาะใจทนไม่ได้ใจไม่อยากทําหรือว่าใจที่เห็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยเป็นเรื่องคอขาดบาดตายตรงเนี้ยเนาะเขาเรียกว่าอันนั้นคือใจเนี่ยมันไม่ปกติ ใจมันเป็นทุกขนะ์เนาะนั้นเพราะฉะนั้นนัคือตรงเนี้ยนะในขณะที่มันมีกองกายกองใจแยกอยู่ครูบาอาจารย์ก็บอกว่าให้ดูกายให้ดูใจให้ดูกายให้ดูใจสิ่ง ต, ต า, นานานาที่ปรากฏขึ้นมาเนี่ยจากการที่เรายกมือสร้างจาาังหวะการที่เราเดินจงกรมทําอย่างเดียวอย่างนี้แหละนะทำที่เดียวเมื่อก่อนหนวงพ่อมเขียนจะบอกด้วยซ้ำไปนะบอกว่าถ้าหากว่าเราเดินจงกรมเนี่ย ก็ให้เราเลือกที่ใดที่หนึ่งแล้วก็อยู่ที่ตรงนั้นละทางเดินจงกลมก็เหมือนเดิมการเดินก็เหมือนเดิมแต่สิ่งที่ไม่เหมือนเดิมคืออะไรคือใจที่ไม่เหมือนเดิมตรงนี้เนาะก็จะเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าความจริงที่พระเจ้าเคยบอกเอาไว้ตั้งแต่ต้นเนาะบอกว่าไตรลักษณ์เนี่ยไ <c oughs> ตรลักษณ์ที่คือความจริงเนาะที่เป็นอยู่กายนี้เนาะ ไม่เที่ยงกายนี้เป็นทุกข์นะกายนี้ไม่มีตัวตนใจนี้ไม่เที่ยงใจนี้เป็นทุกข์ใจนี้ไม่มีตัวตนอย่างเนี้ยเนาะเราก็จะเห็นผ่านสิ่งที่ทาซ้าแล้วซ้าเล่าวันนี้ก็ไม่เหมือนเมื่อวานนี้เนาะกายก็ไม่เหมือนกันใจวันนี้วันนี้ฟุ้งซ่านเดี๋ยววันนี้ลังเลสงสัยก็ไม่เหมือนเดิมเพราะนั้นนั่นคือตรงเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความไม่เที่ยงของกายความไม่เที่ยงของใจ บางวันก็ปวดปวดมเมื่อยๆเดินไม่ไหวตรงนั้นก็เป็นก็เรียกว่าความทุกข์ของกายวันนี้ไม่อยากเดินเนาะก็เป็นความทุกข์ของใจตรงเนี้ยก็เป็นสิ่งที่เราเองเราก็เกิดขึ้นซ้าแล้วซ้าเล่าจากการที่เราทําเหมือนเดิมยกมือสร้างจังหวะหรือเราเดินจงกลมตรงเนี้ยก็เป็นสิ่งที่ท้ายที่สุดเนาะสิ่งต่ตางๆนาน า, นานเหล่านี้อยากอยากให้เกิดไหม ไม่อยากให้กายปวดมันก็ปวดเนาะไม่อยากให้ใจเป็นแบบนี้ไม่อยากให้เกิดความฟุ้งซ่านก็เป็นแบบนี้แล้วเราเองบังคับมันได้ไหมมันเป็นของเราจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยตรงเนี้ยเขาเรียกว่าความจริงก็ค่อยๆคลี่คลายขึ้นมาผ่านการที่เรายกมือสร้างจังหวะไปเดินจงกรมไปตรงเนี้ยนี่คือสิ่งที่ครูบาอาจารย์เนี่ยก็ได้บอกเรานะสอนเราแล้วก็ตรงนี้ความจริงที่พระพุทธเจ้าบอกเอาไว้ ก็ค่อยๆคลียคลายขึ้นมาคำว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นเนาะตามจริงก็เกิดขึ้นตรงเนี้ยก็มันเป็นสิ่งที่เราค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆสรุปบทเรียนในการที่เรามาปฏิบัติทำกันครูบาอาจารย์ก็บอกตั้งใจปฏิบัตินะอย่าพูดอย่าคุยกันอย่างเนี้ยก็หลายๆวันผ่านไปเราก็จะพบว่าไม่ได้พูดก็ไม่เป็นไรนะ ตรงนี้เนี่ยเมื่อก่อนอาจจะเป็นไม่อยากพูดก็ไม่พูดไม่ชอบใจที่จะพูดก็ไม่พูดแต่ว่าความไม่อยากพูดความไม่ชอบใจที่จะพูดตรงนั้นผลที่เกิดกับใจเป็นยังไงใจเนี่ยบางครั้งเนาะก็อื้ออึงไปหมดใชบ่บางทีไม่ได้พูดด้วยปากเนาะแต่ข้างในมีคาตอบคำถามวุ่นวายไปหมดแต่ว่าในขณะที่เราปฏิบัติธรรมครูบาอาจารย์ก็จะบอกบอกว่า รู้ว่าคิดเนาะก็กลับมาก่อนรู้ว่าคิดก็กลับมาก่อนแล้วก็จะพบว่าในขณะที่เราอยู่คนเดียวปฏิบัติทำไปอยู่ความรู้สึกตัวเนี่ยไอความคิดที่บุ้นวายไอ้ที่มันอึ้องอยู่ในสมองเรามันก็ไม่มีเพานั้นั่นคือตรงเนี้ยเนาะว่าที่หัวเราเคยวุ่นวนะุ่นเนาะเคยปวดหัวมากๆก็กลับกลายเป็นว่างเนาะไม่มีอะไรอยู่ในนั้นตรงนั้นนะเนาะก็เป็นสิ่งที่ เราเองเราก็สัมผัสเออตรงนี้สบายดีนะแต่ว่านั้นก็คือเป็นการสัมผัสแบบโลกๆอีกนะชอบไม่ชอบชังไม่ชังนั่นก็คือตรงเนี้ยเนาะพอเราปฏิบัติไปปฏิบัติไปเราก็จะสังเกตเนาะสังเกตเห็นจังหวะแบบนี้มันเกิดขึ้นมาเพราะเนื่องจากว่าเราเนี่ยได้กลับมาอยู่การเคลื่อนไหวของกายในขณะที่ใจกลับมาอยู่ความเคลื่อนไหวของกายใจก็ไม่วุ่นวาย นั่นนั่นคือตรงเนี้ยมันก็มีการกระทาเนาะที่ว่าืมเรามีความเพียรที่จะละความคิดแบบที่ครูครูบาอาจารย์บอกมีความเพียรที่จะละความคิดก็เกิดความว่างขึ้นเนาะในใจเราไม่มีโลภไม่มีโกรธไม่มีหลงตรงจังหวะนั้นน่ะที่เขาเรียกว่ามันเป็นความว่างมันเป็นการวางมันเป็นส่วนที่ไม่มีทุกเพราะนั้นัคือตรงเนี้ยนะว่า ครูบาอาจารย์นได้บอกเอาไว้หมดแล้วเนาะเพียงแต่ว่าให้เราเนี่ยค่อยๆพิจารณาการพิจารณาของเราอย่างเนี้ยไม่ใช่คิดมากเนาะไม่ใช่คิดมากแบบทั้งโลกแต่ว่าพิจารณาก็คือพิจารณาแบบนี้พิจารณาตามหลักเนาะที่บอกพิจารณาดูนะว่ากายกระใจนี้เนี่ยไม่เที่ยงกายกระใจนี้ไม่ทุกกายกระใจนี้ไม่มีตัวตนพิจารณาตามนี้ไม่ต้องพิจารณามากกว่านี้ หรือพิจารณาว่าทุกของกายกระทุกขของใจเนี่ยเป็นอย่างที่บอกหรือเปล่าเนาะทุกของกายก็มีอย่างนี้แล้วเนาะเกิดแก่เจ็บตายทุกของใจก็มีอย่างนี้นะ้วนะเป็นเพราะคิดเนาะคิดหวังจะได้อย่างนั้นก็ไม่ได้อะไรต่างๆนานาเหล่านี้เนี่ยตรงนี้เราลองพิจารณาดูว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าแล้วต้นเหตุเนี่ยมันเกิดจากอะไรต้นเหตุจากการที่ตาเราเห็นรูปเห็นรูปอันนี้ชอบ เนาะก็ใจก็ชอบเห็นรูปอันนี้ไม่ถูกใจเนาะก็เป็นทุกข์อย่างเงี้ยตรงเนี้ยเนาะที่บอกว่าอุปปาทานขันทั้งห้าเนี่ยจะเป็นรูปก็ดีเนาะจะเป็นเขาเรียกว่าความคิดความจําของเราความจําของเราที่เรียกว่าสัญญาก็ดีเนาะการปรุงแต่งอันนี้เป็นผีอันนั้นเป็นคนอะไรต่างนานาเหล่านี้ก็ดีเนาะหรือว่าจะเป็นเรื่องของ การสัมผัสเนอะร้อนเย็นต่างๆนานาเหล่านี้เนี่ยพวกนี้ล่ะเป็นต้นเหตุของทุกเนี่ยอุปาทานขันต่างห้าเป็นตัวทุกเนี่ยใช่หรือเปล่าเนอะเมื่อมีอุปาทานก็มีความคิดหลวงพ่อเทียนเนี่ยก็ระบุไปเลยความคิดนี่แหละเป็นต้นเหตุของทุกอย่างเนี่ยดังนั้นก็คือตรงเนี้ยพอเราละจากความคิดมาก็ไม่ทุกตรงเนี้ยหลวงพ่อคำเขียนก็บอกว่าความเพียรของพวกเราไม่ต้องทำอะไรมากกว่านั้น เป็นเพียงแค่เพียนที่จะละความคิดตรงนี้เป็นความเพียงที่ถูกทางถ้าหากว่าพวกเราทำกันอย่างนี้เนาะพวกเราจะได้เขาเรียกว่ารับผลเนาะของความไม่ทุกเนี่ยในขณะที่เรารับผลของความไม่ทุกเล็กเล็กน้อยนะ้อยเนาะก็สังเกตครูบาอาจารย์สังเกตหลวงพ่ อ, อยางเงี้ยนะวันวันหนึ่งหลวงพ่อมีทุกให้เราเห็นไหมเนาะอย่างง้เราก็มีศรัทธาในหลวงพอบ้างมีศรัทธาในการปฏิบัติบ้าง แต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยหลวงพ่อก็จะบอกบอกว่าให้เรามีศรัทธาในการปฏิบัตินะเพราะว่านั่นคือหลวงพ่อก็เป็นผลของการปฏิบัติถ้าหากว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปเนี่ยเราก็ยังเห็นหลวงพ่อเนี่ยไม่มีทุกเลยเนี่ยก็ให้เรามั่นใจนะว่านั่นคือผลของการปฏิบัติแล้วก็สิ่งที่เราปฏิบัติได้รับผลของความไม่ทุกเป็นขณะขณะตรงเนี้นะก็ขอให้เราเนี่ยได้มั่นใจว่าสิ่งที่ เป็นคำสอนง่ายๆนะที่บอกบอกว่ารู้เป็นครั้งๆ ร, รู้แล้วก็วางรู้แล้วก็วางเนาะกายเคลื่อนไหวใจรับรู้เนาะมีกายเคลื่อนกายหยุดกายเคลื่อนกายหยุดตรงเนี้ยเนาะให้เราทำอย่างเนี้ยทำให้เป็นนิสัยและตรงนี้แหละจะเป็นสิ่งที่เราจะได้รับผลทุกก็ไม่มีเป็นครั้งๆครั้งๆครั้งๆแต่ว่ามันจะมากขึ้นมากขึ้น บางครั้งเราอาจจะมีความรู้สึกว่าเอมันไม่หมดสักทีหนึ่งแต่ว่าเราลองย้อนกลับไปเมื่อสามเดือนสี่เดือนหรือว่าเมื่อวานนี้หรือว่าเมื่อเจ็ดวันที่แล้วทุกมากกว่านี้ไหมถ้าหากว่าใช่ทางเดินนี้ก็ใช่นั่นนั่นคือตรงนี้เนาะถ้าจุดหมายปลายทางของพวกเราเป็นจุดหมายปลายทางที่เรียกว่าไม่ทุกเนี่ยเนาะเป็นจุดหมายอยู่ข้างหน้าเราสิ่งที่พวกเราทาทุกวันทุกวันเราต้องพ้นเนาะพ้นทุก เป็นเป็นขณะขณะขณะทุกน้อยลงทุกน้อยลงทุกน้อยลงแล้วก็ตรงนี้แหละจะเป็นสิ่งที่ถ้าหากว่าพวกเรามองเห็นอย่างถูกต้องตามนี้เนี่ยพวกเราก็จะเรียกว่าเดินอยู่บนเส้นทางที่พาพวกเราไม่ถูกแล้วก็ทางเดินตรงเนี้ก็เป็นทางเดินที่ครูบาอาจารย์เนี่ยก็ได้แนะนําเอาไว้ตั้งแต่ต้นหรือพ่อขงเกียนก็ได้บอกเอาไว้นั้นนั่นคือปฏิบัติไปก็ให้พิจารณาไปตามนี้ แล้วก็ความไม่ทุกข์เนี่ยก็จะเป็นของพวกเราทุกๆคนก็พวกเรากลับพร้อมกัน